Mm hmm. เรามาที่นี่ชาวไทยถามว่ามาทําอะไรนะหลายคนก็มกักจะตอบว่ามาเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมจริงๆครัว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมีความหมายกว้างนะการให้ทานอันนี้ก็ปฏิบัติธรรมการรักษาศีลนี่ก็ปฏิบัติธรรมแล้วการทําสมาธิภาวนานะหรือเรียกสั้นๆว่าภาวนานี่ก็ปฏิบัติธรรมเหมือนกัน ปฏิบัติธรรมนี่มันมีความหมายกว้างไม่ใช่ว่าจะต้องมานั่งยกมือสร้างจังหวะอย่างเดียวหรือว่านั่งตามลมหายใจอย่างเดียว enfin, สิ่งที่เราทํำนี่เราเรียกว่าภาวนาถ้าเรียกให้เจาะจงลงไปแต่ที่จริงเอาภาวนาก็ยังกว้างนะสมาที่ภาวนาก็ทําได้หลายอย่างเช่เนจเจริญเมตตาภาวนาเนี่ยอย่างที่เราสวด แผ่เมตตาเมื่อกี้นี้ก็ถือว่าเป็นส่วนของการเจริญเมตตาให้งอกงามขึ้นในใจแต่ว่าเป็นเมตตาภาวนาอย่างหนึ่งหรือว่าเราเราเลือกถึงความตายที่จะเกิดขึ้นกับเราก็เรียกมรณสติภาวนาหรือว่าการที่ตั้งใจทําให้ใจสงบอันนี้ก็เป็นภาวนาสมาธิภาวนา โดยที่เรากําลังทําที่นี่เนี่ยเราจะเน้นหนักเรื่องการเจริญสติการเจริญสติก็คือทําให้สติเจริญงอกงามขึ้นในใจของเราที่จริงสติมันก็มีอยู่กับเราเราก็ได้ใช้สติอยู่เป็นประจําอยู่แล้วจนบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วงั้นมาเจริญสติทําไมตั้งแต่เช้าตื่นขึ้นมา เวลาเราจะหุงข้าวเราก็ต้องจาได้ว่าหม้อข้าววางไว้ที่ไหนนะข้าวเก็บไว้ที่ไหนหุงข้าวต้องใช้เวลานานเท่าไหร่อันนี้เป็นเรื่องของความระลึกได้ซึ่งก็คือสตินะเพราะสตินี่ความหมายนึ่คือความระลึกได้เราไปทำงานไม่ว่าเราจะนั่งรถประจาทางหรือขับรถเราก็ต้องรู้หรือระลึกได้ว่าจะนั่งรถสายอะไร ถ้าจะขับรถก็ต้องระลึกได้ว่าเก็บกุญแจไว้ที่ไหนรวมทั้งระลึกได้ว่าเวลาขับรถนี่มันต้องทําอะไรก่อนออกเกียร์อะไรก่อนมันออกมาเองโดยอัตโนมัติแต่ที่จริงแล้วมันเป็นเรื่องของความระลึกได้ทั้งนั้นเวลาเราขับรถเราขับให้ไปให้คลื่อนออกไปอย่างปลอดภัยต้องอาศัยความระลึกได้เกี่ยวกับกลไกของรถยนต์จะถ้ายไปถึงที่หมายก็ต้องระลึกได้ว่า ใช้เส้นทางอะไรเราต้องระลึกได้ด้วยว่าถึงกี่โมงถึงจะไม่เกิดปัญหานในวันในชีวิตประจำวันเราใช้สติตลอดเวลาแต่ว่าสติที่เราใช้น้อยนะหรือว่าแทบไม่ได้ใช้เลยก็คือสติคือความระลึกได้เกี่ยวกับกายและใจ ส่วนใหญ่เราใช้สติในการระลึกได้ในเรื่องสิ่งนอกตัวหมอข้าวหรือว่ารถยนต์กุญแจรถรถประจำทางสายอะไรพวกนี้มันเป็นเรื่องความระลึกได้ที่อยู่นอกตัวหรือแม้แต่วเวราสวดมนนะพอเริ่มต้นนโมเนี่ยสองจบแรกนี่เราก็ไม่มีการแปล แต่พอจบที่สามนี่เราระลึกได้ทันทีเลยว่าต้องมีการแปลอันนี้ก็สติซึ่งถ้าทํำบ่อยๆมันก็ออกมาเองรู้ได้เองว่าพอจบที่สามนี้ก็อาจะไม่สวยให้จบแต่ว่าจะต้องแปลก่อนนี่ความระลึกได้ที่เราใช้นะแต่ก็เป็นความระลึกได้ในเรื่องที่เรียกว่ายังอยู่นอกตัวแต่สิ่งที่เราขาดและใช้กันน้อยก็คือ ความระลึกได้ในเรื่องกายและใจระลึกได้ในเรื่องกายเรื่องเรื่องใจไหมครับว่าอย่างไงอย่างเช่นกําลังนั่งฟังอยู่นี้นะประเดี๋ยวใจลอยแล้วใจลอยไปที่บ้านเสร็จแล้วก็ระลึกได้ว่าตอนนี้กําลังทําอะไรอยู่ตอนนี้กําลังนั่งฟังอยู่พอระลึกได้ปุ๊บสติมพาใจกลับมาอยู่ที่ศาลาลึกนี้เลย หรือว่ากำลังยกมือสร้างจังหวะอยู่ใจลอยไปที่ทำงานใจลอยไปที่โรงครัวออกนอกตัวไปแล้วแต่แล้วก็ระลึกได้ว่ากาลังยกมือสร้างจังหวะอยู่กาลังเดินจงกรมอยู่ก็กลับมาอันนี้เรียกว่าระลึกได้ในเรื่องกายในเรื่องใจก็เหมือนกันนะความระลึกได้บางทีเรากำลังนึกเรื่องเรื่องงานอยู่ กำลังนึกเรื่องงานเรื่องการอยู่เสร็จแล้วมันเผลอแบบไปคิดเรื่องอื่นเสร็จแล้วก็ไปคิดเรื่องอื่นอยู่นานทีเดียวเสร็จแล้วก็นึกึขึ้นมาได้ว่าหรือแล้วนึกขึ้นมาได้ว่าออเรากาํ า, ออากลังคิดเรื่องงานเ อ, อสติก็พาใจกลับมาก็ทําให้จิตจดจ่อยอยู่กับงานการได้หรือเรื่องที่คิดงานการได้ดีขึ้นแล้วลึกได้ในเรื่องใจนี่ก็จะเรียกว่ารู้ทันก็ได้นะ รู้ทันรู้ทันความฟุ้งซ่านอันนี้ก็เป็นหน้าที่หนึ่งของสติหรือเป็นคุณสมบัติประการหนึ่งของสติคือว่ารู้ทันรู้ทันความคิดที่ฟุ้งซ่านหรือว่ารู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากความคิดปรุงแต่งนั้นเช่นความโกรธความกลัวความอยากความเศร้าความเพียรบากความอิจฉา รู้ทันไม่มีประโยชน์อะไรรู้ทันก็มีประโยชน์ก็ทําให้ใจเราเนี่ยมันหลุดจากอํานาจของอารมณ์นั้นการเจริญสติเนี่ยนะจะทําเช่นนี้ได้เนี่ยคือจะฝึกให้เรามีความระลึกได้ในเรื่องกายและใจได้อย่างรวดเร็วแล้วก็รู้ทันความคิดปรุงแต่งอารมณ์ปรุงแต่งเหล่านี้เนี่ยมันก็ต้องอาศัยวิธีการหนึ่งที่เรียกว่า รู้เฉยๆนะหรือว่าดูเฉยๆมันต่างจากการทำสมาธิที่เราคุ้นเคยการทำสมาธิส่วนใหญ่ที่เราคุ้นเคยก็คือการพยายามบังคับจิตให้มันสงบไม่ไปคิดเรื่องอะไรเลยวิธีบังคับก็คือว่ากาหนดจิตให้ไปเพ่งอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นลมหายใจถ้านั้นไม่พอก็ต้องมีบริกรรมด้วยเพื่อให้มันไม่แสสายไปไหน เช่นบริกรรมว่าพุทโทเข้าพุทออกโทรหรือว่าถ้าดูท้องก็ท้องพองยุบหรือว่ามางนีก็ใช้วิธีการนับนึกขึ้นมาเป็นคำเนี่ยอันนี้เราเรียกบริกรรมจุดมุ่งหมายก็เพื่อว่าให้ให้ร้อยจิตอยู่กับที่หรือร้อยจิตให้อยู่กับกายไม่ว่าจะเป็นลมหายใจหรือท้อง หรือบางคนก็ใช้การเดินเท้ า, ซ, า, นะทาซ้ายอะไรเงี้ยนะเท้าซ้ายย่างหนอข้าย่างหนอเนี่ยการพูดเป็นคําหรือเป็นบริกรรมนี่ก็เพื่อที่จะได้ก่อกเกี่ยวหรือว่ากําหนดให้จิตเนี่ยมันสงบเมื่อสงบแล้วเกิดอะไรนะก็เกิดความเย็นเกิดความผ่อนคลาย แต่ ว, ว่าการเจลน์สติมันเป็นวิธีการฝึกอีกแบบหนึ่งก็คือว่าไม่ไม่บังคับไม่บังคับไม่บังคับจิตอ น, นุญาตให้จิตได้เป็นอย่างที่มันเป็นอ น, นุญาตจิตให้มันเป็นอย่างที่มันเป็นเช่นถ้ามันชอบฟุง้งซ่านก็ก็อ น, นุญาตให้มันฟุ้งซ่านได้แต่ว่าหน้าที่ของเราก็คือว่ารู้ทันมันไปที่ไหนก็รู้ทันมันหมดไปอดีตก็รู้ทันไปอนาคตก็รู้ทัน บางทีเราก็เลยใช้คาว่าตามรู้นะตามรู้นี่ก็คือว่าตามทันมันนะมันไปไหนก็ตามมันทันแต่ไม่ได้แปลว่าตามติดติดนะบางคนไปเข้าใจว่าตามรู้คือตามติดติก็เลยไปเข้าใจว่ามันไปไหนก็ตามติดติดไปเรื่อยเหมือนกับว่าเห็นมันอยู่ตามไล่หลังตลอดเวลาอันนั้นมันไม่ใช่นะบางคนบอกว่าเนี่ยหนูก็คิดนะคิดไปเรื่อยๆก็ สติมันก็ตามรู้ไปเรื่อยๆถ้าคิดไปเรื่อยๆนี่มันไม่ใช่ตามรู้แล้วล่ะนะอันนี้มันเรียกว่าฟุ้งแล้วล่ะเพราะว่าถ้ามีสติจริงเนี่ยพอรู้ทันมันมันก็หายไปมันก็ดับไปเหมือนความมืดเนี่ยพอมันเจอแสงสว่างมันก็ดับไปหายไปตามรู้จึงให้เข้าใจว่าหมายถึงว่าตามทันมันนะสมัยก่อนตามไม่ทันแต่ก่อนตามไม่ทัน คิดไปไกลแล้วจนจบเรื่องเราถึงค่อยรู้นะแต่ตอนหลังนี่พอมันคิดไปก็ตามมันทันมันไปอดีตก็ตามมันมันไปทันมันไปอนาคตรหรือไปที่บ้านก็ตามทันซึ่งพอตามทันปุ๊บนี่หรือรู้ทันมันก็หายไปไม่ใช่ตามติดๆนะอันนั้นมันจะกลายเป็นการฟุ้งไปอีกแบบหนึ่งอันนี้ รู้เนี่ยก็คือรู้เฉยเฉยนะรู้ทันเนี่ยมันต้องอาศัยการรู้เฉยเฉยคือรู้โดยไม่ทำอะไรกับมันรู้เฉยเฉยว่ามันเกิดขึ้นใหม่ๆเนี่ยพอเรารู้เนี่ยเราไม่เฉยนะเราจะเข้าไปห้ามมันไปกดข่มมันไม่ให้คิดพอรู้ว่าจิตฟุ้งซ่านก็จะไปบังคับจิตไม่ให้คิดอันนี้ไม่ใช่รู้เฉยเฉยแล้วมันรู้แบบเข้าไปแทรกแซง หลวงพ่อเทียนชั้นน้นมากคำว่ารู้ซื่อๆรู้ซื่อๆคือรู้แบบซื่อตรงตรงไปตรงมาแล้วก็รู้แบบไม่ต้องไปทํำแลกมันแค่รู้เฉยเฉยรู้เฉยเฉยนี่มันมีอนุภาพนะอย่าไปอย่าไปดูแพลนมันจะไม่คิดว่ารู้แล้วต้องไปทําอะไรกับมันเช่นต้องไปบี้มันต้องไปกดขมมันนะหรือต้องไปลากคอมันมากลับมาหรือไม่ก็ไปตะเพิดมันออกไปเช่นจะไเป็นความโกรธหรือความฟุ้งซ่าน รู้ไม่พอต้องตะเพิดมันที่จริงไม่ใช่นะแค่รู้เฉยเฉมันก็มากพอละการรู้เฉยเฉนี่มีมีอนุภาพนะในพระไตรปิฎกจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับการที่มารเนี่ยนะชอบมาลังควานพระพุทธเจ้าบางพระษาวกบ้างหรือว่าพิกูุน์พิสูุน์นีบ้างมาในที่นี่ท่านหมายถึงเธอปุตระมานนะ เจอปุตตมางหรือมางที่เป็นเทพชนิดหนึ่งเนี่ยมันกลัวไม่อยากให้ใครเนี่ยพ้นจากอำนาจของมานก็ต้องพยายามขัดขวางไม่ให้ปฏิบัติธรรมจนจนพ้นหรือว่าคลายความยึดมั่นในการมสุขเพราะวามานี่อยู่ในสวรรค์ชั้นการอมจรวิธีที่มานจะขัดขวาง การแกล้งผู้ปฏิบัติหรือว่าโยคยีผู้บัเพลนทำก็หลายอย่างเช่นทําให้กลัวด้วยการทําให้เกิดแผ่นดินไหวหรือปลอมเป็นช้างปลอมเป็นงูใหญ่นะเพื่อให้นักปฏิบัติทำกลัวตื่นตระนกหรือบางทีก็มาพูดให้เควเช่นสมัยที่พระเจ้ายัางไม่ตัดสรุปทำก็มาชวนพระเจ้าว่าพระเจ้านี่ก็บันเพ็ญ เมตุนวิรัติแล้วก็บูชาไฟบําเพ็ญทุกข์กัลกิยาก็ได้บุญมากพอแล้วไม่ต้องทำอะไรต่อแล้วแต่ผู้เจ้าก็ก็ไม่เชื่อบางทีก็ไปชวนภิกษุณีว่าให้ตั้งจิตปารถนาไปเกิดในสวรรค์ดีกว่าอนยะ่าไปมุ่งนิพพานเลยบางทีผู้เจ้าตัดสรุ้แล้วก็ยังชวนให้ผู้เจ้าไปกลับไปเสด็จครองราชนะเพื่อได้ทําอะไรได้มากกว่าการเป็น นักบวชนะอันนี้เรียกว่าชวนให้เขวหรือว่าชวนให้เลิกปฏิบัติธรรมหรือชวนให้เข้าลกเข้าพงไปบางทีก็จ้วงจนะ่ะดูหมิ่นเช่นกล่าวหาผู้จ้าว่านอนขี้เซาหรือว่านอนนอนฝันนอนซึมนะบางทีก็บอกว่าบอกพิสูน์นี้ว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยจะทำอะไรได้ไม่มีปัญญาบรรลุธรรมหรอกนะอันนี้เรียกว่าพูดจ้วงจายั่วยุให้โกรธ แล้วก็วิธีหนึ่งที่ใช้บ่าคือยั่วยวนนะก็มาในรูปของหญิงสาวนะเพื่อยั่วยวนให้คลายความเพียรเอากามเข้าลอ่อดบางที่ก็แกล้งนะอย่างเช่นไปเข้าท้องพระโมกขลา น, นะและ ว, วิธีหนึ่งที่พระเจ้าแล้วก็พระสาวกใช้ในการรับมือกับมารเนี่ยไม่ได้ใช้ลิ้นอะไรเลยนะไม่ได้ไล่ต่เพิดหรือว่าสู้รบปบมือกับมาร วิธีหนึ่งที่ใช้บ่อยคือพูดกับมารว่ามารเรารู้จักท่านแล้วท่านอย่าคิดว่าเราไม่รู้จักท่านแค่เพียงเท่านี้แหละนะมารมันยอมแพ้เลยอย่างมารที่เข้ามาเข้าท้องพระโมคคัลลานันปั่นป่วนมากเลยนะที่แรกพระโมคคัลลานัก็นึกว่าไม่สบายแต่ตอนหลังมาดูอ๋อมารเดี๋ยมากวน ก็พูดอย่างนี้กับมานนะว่ามานเรารู้จักท่านแล้วท่านอย่าคิดว่าเราไม่รู้จักท่านพอมารู้ว่าพระโมคคลลานะรู้แล้วมันยอมแพ้เลยหนีไปเลยหรือคราวหนึ่งไปหลอกไปทําให้พระที่สูรุ่นหนึ่งชื่อพัชสมิทธิ์ที่กลัวแผ่นดินไหวพัชสมิทธิี่ก็กลัวนะเลิกปฏิบัตินะกลับไป พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพอรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็บอกว่าเนี่ยเป็นฝีมือของมารให้พัสมิตที่เนี่ยพอเจอเหตุการณ์นี่ให้พูดกับมารว่ามารเรารู้จักเจ้าแล้วหรือพูดกับว่ามารผู้มีบาปเรารู้จักท่านแล้วพัสมิตที่ก็เอาคําของพระพุทธเจ้านี่ไปใช้นพะพอเกิดแผ่นดินไหวพัสมิตที่ก็พูดขึ้นมารเลยว่านี่นายมารผู้มีบาปเรารู้จักท่านแล้วพอมารู้เท่านั้นแหละมารก็ยอมแพ้เลยแล้วก็ ก็บนหรือว่าตัดพ่อขึ้นมาว่าพระสมิธิรู้จักเราแล้วพระสมิทธิรู้จักเราแล้วแล้วก็หนีไปเลยคือสิ่งที่มารกลัวที่สุดคือกลัวการรู้ทันนะกลัวการรู้ทันถ้าใครรู้ทันนี่มาร ก, ก็ยอมนี่นะไอ้กิเลสหรือว่าอารมณ์ปรุงแต่งที่มันเกิดขึ้นในใจเราเนี่ยนะมันก็เหมือนกับมารชนิดหนึ่งนะอันนี้คือกิเลสสมานอทิสังขารมารมามีหลายแบบ เถ้ปุตตมานก็มีอภิสังขารมานก็มีหรือว่ากิเลสมานก็มีไอพวกนี้คล้ายกันก็คือว่าพอเรารู้ทันมันก็หมดอำนาจไปเลยก็ลาถอยไปคงคล้ายกับขโมยนะขโมยนี่แอบเข้าบ้านเวลาเจ้าของบ้านเผลอแต่พอเจ้าของบ้านรู้หรือแค่เอาไฟฉายส่องเพื่อให้รู้ว่า ฉันรู้แล้วโจนก็ยอมแพ้เลยรีบหนีไปทันทีไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องเอาปืนยิงไล่เพียงแค่มันรู้ว่าเจ้าของบ้านรู้เท่านั้นแหละก็ยอมละอันนี้ก็เป็นธรรมดาของโจนหรือว่าคนที่ทำการทุจริตกลัวว่ามีคนรู้ เพราะนั้นเนี่ยเแค่รู้เฉยๆเนี่ยมันมีอนุภาพมากไม่ต้องไปไล่สู้รบตบมือหรือว่าไล่บี้หรือว่ากดขมมันในทางตรงข้ามเนี่ยการที่เราไปสู้รบตบมือกับกับอารมณ์เหล่านี้เนี่ยมันยิ่งเท่ากับทำให้มันได้ใจแล้วก็มีกำลังมากขึ้นเวลาเราไม่ชอบใครก็ตามเนี่ยเรากำลังให้อำนาจแก่เขา ทําให้เขาเนี่ยมามีอิทธิพลเหนือเราเวลาเราโกรธใครเกลียดใครเนี่ยก็เท่ากับว่าเรากําลังยอมให้คนเหล่านั้นเนี่ยมามีอิทธิพลเหนือเราเวลาเขาทาอะไรเนี่ยเราจะขุนเคืองใจมากแต่ถ้าเกิดว่าเราทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้เขาเขาจะทาอะไรก็ไมเรื่องเขาเนี่ยเขาก็ไม่มีอิทธิพลต่อเราอีกต่อไปนั่นถึงการการที่เรานะฝึกให้ รู้ทันนะอารมณ์ต่างๆเนี่ยมันมันจะช่วยได้มากเราลองสังเกต ด, ดูเวลาเราใจลอยฟุ้งซ่านเนี่ยแล้วพอรู้ทันว่าใจลอยนะเผื่อคิดไปเนี่ยมันจะเรียกว่าละลายหายไปเลยนะไหมไหมนี่มันก็ค่อยเฟะหายไปจะไม่หายไวนะในทางตรงข้ามถ้าเราพยายามกดข่มไม่ให้คิดเนี่ยนะมัน อาจจะหายไปชั่วคราวสักพักมันก็โผล่มาใหม่ยิ่งกดข่มมันยิ่งโผล่มารังควานเราหนักข้อขึ้นมันเหมือนกับเวลาเราพยายามกดใช้มือเนี่ยกดลูกบอลให้มันจมน้ํามันก็จมน้ํำนะแต่พอเราปล่อยมือเมื่อไหร่มันก็เด้งเด้งขึ้นมายิ่งกดแรงเท่าไหร่มันก็เด้งขึ้นสูงมากทนนั้น บางทีนะกดกดไปนี่มันหายไปเลยนะความคิดมันหลบในความฟุ้งซ่าน ม, มันหลบในอัตมาเคยนะใช้วิธีกดขม่มความคิดเนี่ย ท, ทําไปสักสองสามอาทิตย์นี่มันหายไปเลยนะแต่ว่ามันมันไม่ใช่ว่าเบาเนาะมันหนักมันหนักแต่พอเผลอคือจะนอนเมื่อไหร่เนี่ยโวมันมันพลั่งครวงมาจนนอนไม่หลับเลยแล้วก็แถมทําให้เครียดนะ พอกดมากๆนี่ปวดนะปวดหัวปวดไหลนักปฏิบัติ ท, ทําหลายคนพอมีอาการนี้ก็ให้รู้ว่านั่นเป็นเพราะไปกดไปเพ่งไปบังคับจิตมันจะสู้ั น, นธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นนะเวลาเราห้ามไม่อยากทําอะไรเนี่ยไม่พยายามที่จะไม่คิดอะไรเนี่ยมันจะยิ่งคิดนะแล้วเขาเคยมีการทดลองเนี่ยเอาคนมานั่งอยู่ในห้องคนเดียว เราก็บอกว่าคุณจะคิดอะไรก็ได้นะแต่ว่าคุณห้ามคิดเรื่องเดียวคือห้ามคิดถึงมีขาวเจ้าคุณคิดถึงมีขาวมาเลยคุณกดกร่งทันทีเลยให้โจทไปแม่ทลายเสียงกรีงก็ดังดังมาจากหลายห้องนะเพราะเวลาก็ให้โจเให้โจทพร้อมกันทางไมโครโฟนพูดจบไม่ทลายมันกดกรีงกันใหญ่เลยเพราะว่าทุกคนก็คิดถึงมีขาวกันหมดที่แรกไม่บอกก็ไม่คิดพอบอกว่าอย่าคิดนะ มันก็คิดขึ้นมามีบางไลน์บอกว่าคิดอะไรก็ได้นะอย่าคิดถึงจระเข้สีชมพูนะโอคิดใหญ่เลยจระเข้สีชมพูซึ่งมันไม่ควรจะเป็นเรื่องที่ต้องคิดเลยเพราะจระเข้สีชมพูมันไม่มีอยู่แล้วแต่พอบอกอย่าคิดนะมันคิดเลยจระเข้สีชมพูยิ่งบอกยิ่งไปบังคับว่าอย่าคิดอย่าคิดนะมันยิ่งคิดนะเหมือนกับวัยรุ่นนะที่มันยิ่งห้ามก็ยิ่งยุ่ะ การปฏิบัติเนี่ยให้เราถือหลักว่าหน้าที่ของเราเพื่อรู้ให้ทันไม่ใช่ว่าไม่คิดนะบางคนไปเข้าใจการทําสมาธิหรือเจริญสติคือการไม่คิดถ้าไม่คิดถือว่าดีถ้าคิดถือว่าไม่ดีไม่ใช่ไม่คิดก็รู้ว่าไม่คิดแต่ถ้าคิดก็รู้ว่าคิดอันนี้ดีสงบแต่ไม่รู้ว่าสงบอันนี้ไม่ดีนะแต่ฟุ้งแล้วรู้ว่าฟุ้งอันนี้ดีดีในแง่ของสตินะก็คือว่าได้เห็นได้รู้ทันมัน และอย่างที่บอกไว้แล้วเนี่ยนะเวลาเวลามันมีอารมณ์พวกนี้ขึ้นมาเนี่ยเพียงแค่รู้เฉยเฉยรู้ซื่อซื่อเนี่ยมันมันช่วยได้เยอะมีหมอผ่าตัดคนนึ่งแกเล่าเน่ยเวลาแกจะผ่าตัดแกผ่าตัดเล็กเนี่ยคนไข้จํานวนไม่น้อยจะรู้สึกกลัวแม้แนตะเพียงแค่ผ่าตัดไฟนะไม่ต้องถึงกับผ่าตัดไส้ติ่งนะแค่ผ่าตัดไฟหรือปานจะกลัว หมอก็ถามมากลัวอะไรแกบอกกลัวเจ็บหมอก็ฉีดยาชาให้ฉีดยาชาให้ก็ไม่หายกลัวเลยถามมากลัวอะไรบอกไม่รู้แต่กลัวแล้วกันหมอพยายามบอกว่าไม่ต้องกลัวฉีดยาชาแล้วไม่เจ็บก็ยังกลัวแต่ก่อนหมอบอกว่าอย่ากลัวอย่ากลัวก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยตอนหลังหมอเปลี่ยนใหม่นะกลัวเหรออ้าวก็ให้ยอมรับความกลัวให้ดูความกลัว ความกลัวเป็นยังไงมันกลัวตรงไหนไม่ต้องใช้เหตุผลอธิบายแล้วว่าอย่ากลัวอย่ากลัวแต่ให้ดูความกลัวเลยลมหายใจเป็นอย่างไงหัวใจเป็นอย่างไรร่างกายเป็นยังไงเวลามันกลัวเพราะว่าความกลัวมันลดลงความกลัวลดลงที่เคยให้คะแนนเจ็ดแคะแนนว่ากลัวมากความกลัวก็ลดเหลือครึ่งเดียวสามหรือสี่คะแนน เมืมีลายหนึ่งก็บอกว่าใช้ได้ดีมากพ่อเนี่ยเขามีลูกอายุสามขวบสี่ขวบเด็กคนนี้นี่กลัวกลัวอะไรกลัวโปะเวลาจะข้ามเรือข้ามฟ้ากันนะก็ต้องขึ้นโป้เด็กก็กลัวพ่ออุ้มลูกลูกก็ดิน้นไม่ยอมลงโปะเลยร้องไห้ พ่อก็ไม่รู้ทำยังไงแต่ก่อนก็พยายามบอกลูกว่าอย่า ก, กลัวอย่า ก, กลัวพ่ออยู่กับลูกนะพ่ออุ้มลูกแน่นเพราะลูกไม่ต้องกลัวเดี๋ยวก็ยังกลัวเพราะความกลัวนี่มันไม่สนใจเหตุผลนะเอาเหตุผลไประงับความกลัวนี่ไม่ได้ไประโยชน์เท่าไหร่มันคนละช่องทางตอนหลังพ่อนี่ก็ไปปรึกษาเพื่อนที่มีลูกตัวเล็กๆ เ, เหมือนกันแล้วก็ได้ความคิดเรื่องสติ ก็อยากจะทดลองดูว่ามันได้ผลจริงหรือเปล่าก็วันหนึ่งก็เลยอุ้มลูกไปที่โป๊ลูกเห็นโป๊ออป ล, ลูกนนะเหนลู ก, ก, ก, ลกล น, ะนปลนนก๊ลู ก, ก, ลหกลเนงงนะหเนงงลูกนโูหนโลูกเห็่โลูกเหวนโอ๊ลูกเห็อกเห็นโปลูกเหลักเนปลูกเนโลูกเนปลกเนลูกเหนโป๊ลกเห็ลูกเห็นโป๊ไหนโลูเห็นโปเห็นโป๊ลูกเห็นโป๊ลูกเห็นโั๊ลูเห็นยปกงงเ็นลก็นลูกเหนโะป๊ลูกหนเห็นเห็น ลมหายใจนี่มันหายใจไม่ทั่วเลยนะเด็กมันก็พูดได้นะแล้วความรู้สึกเป็นยังไงมันกลัวนะพ่อก็ชวนให้ลูกดูกายแล้วก็ดูใจคือดูอารมณ์สักพักเนี่ยเด็กนิ่งเลยนะเด็กนิ่งเลยเสร็จแล้วเด็กก็ปล่อยมือปล่อยเพื่ออะไรปล่อยเพื่อที่จะลงมาที่โปแล้วก็วิ่งเล่นอยู่บนโป พ่อแปลกใจมากหลือว่าความกลัวของลูกจะมันหายไหวเหลือเกินเพียงแค่ให้มาให้มาดูความกลัวสิ่งที่พ่อทําก็คือว่าใช้สติให้ลูกหันกลับมาดูความกลัวใช้สติแล้วความกลัวนี่พอมันเจอสติสาศาสสองเข้าไปแล้วมันก็หายไปเด็กนี่บางทีมได้ผลเร็วหรือดีกว่าผู้ใหญ่นะเพราะผู้ใหญ่มักจะใช้เหตุผลปรุงแต่งอารมณ์ต่างๆแต่ว่าเด็กนี่ ก็มีหลายคนแล้วที่พอเขาใช้สติเข้ามาดูเนี่ยมันช่วยได้เยอะมีอีกรายหนึ่งยี่สิบสองวันหนึ่งก็มาบอกแม่ว่าเลิกเรียนก็มาบอกแม่ว่าอยากซื้อของเล่นแม่ก็ถามว่าของเล่นราคาเท่าไหร่ลูกสาวก็บอกว่าสี่ร้อยทำไมมันแพงอย่างนั้นนะ่ะเด็กบอกมันเป็นไมโครโฟน เวลากดแล้วนี่มันร้องเพลงได้อันนี้เมื่อสิบปีก่อนนะสมัยก่อนราคามันก็คงไม่แพงเท่าไหร่เทียบกับสมัยนี้แต่สมัยนั้นมันแพงถ้าสมัยนี้ก็คงจะขอเงินซื้อโทรศัพท์มือถือแต่สมัยก่อนสิบปีมันยังไม่มีแพร่หลายขนาดนั้นแม่นี่ก็เป็นคนที่ต้องการให้ลูกเนี่ยลูกคุณนท่าของเงินปกติเวลาแม่เจอแบบนี้ก็จะทำสองอย่างไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งอันที่หนึ่งคือว่า ยอมตามลูกเพื่อตัดลาคานก็ซื้อให้เรอที่สองคือว่าไม่ซื้อให้แต่แม่นี่เขาฉลาดเขาก็พูดว่าเนี่ยถ้าลูกอยากได้แม่ก็จะซื้อใหนะ้แต่มีเงื่อนไขสองอย่างอันที่1นก็คือว่าจะหักเงินลูกวันละครึ่งหนึ่งจนครบสี่ร้อยก็ประมาณสกักอาทิตย์หนึ่ง น, นะก็ได้แล้วอันที่สองก็คือ ก่อนกลับบ้านให้ลูกไปที่ร้านแล้วก็ดูของชิ้นนั้นทุกวันดูของแล้วก็ดูใจไปด้วยคือดูความอยากนะทำอย่างนี้สักเจ็ดวันแล้วเดี๋ยวแม่จะซื้อให้ลูกก็ทำตามแม่เพราะอยากได้ของแต่พอถึงวันที่สี่ก็บอกแม่ว่าแม่หนูไม่เอาแล้วอ่ะทำไมอ่ะเบื่อไม่อยากแล้ว เก็บเงินไว้ทาอย่างอื่นดีกว่าคือความอยากเนี่ยถ้าไปดูมาบ่อยๆนะมันก็อายเหมือนกันนะมันก็หายไปเหมือนกันเราเคยดูความอยากบ้างหรือเปล่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยดูนะพออยากอะไรปุ๊บซื้อเลยอยากปุ๊บซื้อปั๊บโกรธใครก็ด่าเลยนะแต่ว่าเราไม่ค่อยดูความอยากหรือค่อยดูความโกรธถ้าเราดูความอยากนี่จะรู้เลยว่ามันมันไม่สามารถจะทนต่อการดูการรู้ได้มันทน สติที่จะบาส่องดูมันอย่างซื่อๆตรงๆไม่ได้มันก็หายไปในที่สุดความอยากกลายเป็นความเบื่อไปเลยนะฉะนั้นที่ยังไม่ทันจะซื้อมันเลยฉะนั้นอำนาจการการรู้เฉยๆเนี่ยนะมันสำคัญมากซึ่งพอเห็นนี่เราพู้าจถึงเอามาใช้ในการสู้กับมารแลวพวกเราก็อาจจะโดนโดนมารมาก่อกวนบ้างนะในการปฏิบัติก็ ให้ใช้วิธีนี่แหละนะั่นใช้สติรู้ดูเฉยๆอย่าไปบังคับอย่าไปบังคับจิตว่าไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดอย่าไปบังคับจิตว่าห้ามอยากห้ามหยากห้ามฟุง้งมันฟุ้งก็ดูมันนะเราไม่ไม่บังคับมันแต่เราก็ไม่ไปตามมันแต่ก่อนนี่เราตามมันเติมเตพือเลยนะมันฟุ้งไหนแล้วก็เต็มที่กับมันพอมาปฏิบัติก็จะห้ามมันละ จะเบรกมันละจะสู้รถตบมือกับมันอันนั้นไม่ใช่ทางทั้งสองทั้งสองทางก็สุดตรงทั้งคู่นะวิธีที่เป็นทางสายกลางคือดูมันเฉยๆดูด้วยสติในหล่อนที่เราสร้างจังหวะเดินยังกลมเนี่ยมันเพลิไปก็รู้รู้แล้วกลับมานะมันเพลิไปก็ดูรู้เฉยๆแล้วกลับมาไอ้ที่กลับมานี่สติมันพาจิต ก, กลับมาเองนะไม่ต้องไปไปลากจิต ก, กลับมาสติมัน ทำหน้าที่ทั้งระลึกรู้ว่ากําลังทําอะไรอยู่ระลึกว่าทําอะไรอยู่แล้วก็รู้ทันพอรู้ทันแล้วก็พาจิตกลับมาแต่ทั้งหมดนี้ต้องใช้วิธีการรู้เฉยๆรู้ซื่อๆซึ่งก็เป็นงานของสติอี ก, อ, กอันหนึ่งนะทั้งระลึกได้ทั้งรู้ทันแล้วก็รู้เฉยๆให้เรารู้จักสติตัวนี้เอาไว้ให้ดีๆนะมันมีประโยชน์มากเอาล้วก็พูดกันท่านนี้